ใจถึงๆหน่อยใจถึงๆหน่อยลวงพ่อเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีกลายนี้ไปเยี่ยมหลงพ้อคําเขียนข้อคําเขียนมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไเออโรงพยาบาลจุฬาเยี่ยมท่านท่านเป็นมะเร็งให้เคีโอท่านบอกว่าโอ้ดีนะอาจารย์สอนเรื่องเจริญสติเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องเจริญสติละยังขยับกันอยู่งนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนะท่านบอกไม่มีคนพูดเรื่องเจริญสติ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 ไปไหวแล้วตอนนี้ไปไหวแล้วนะมีคนสืบทอดไปเราะงั้นต้องระมัดระวังนะคำสอนครูบาอาจารย์ที่ดีๆอพอมันผ่านไปเจ n เนอเรชัหนึ่งสองเจนเนอเรชันมันเพี้ยนไปเรื่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยๆกรนะะทั่งคำสอนอย่างตามวัดทางอุสานแต่ก่อนนะเข้าวัดไหนท่านจะสอนให้มีจิตผู้รู้มีความรู้สึกตัวนั่นเองั้นหลังๆนั้นกะ็พระเข้าไปเล่นเรื่องสมาธิกันเยอะเพ่ง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 ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเรามีสติเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นเลยความทุกข์ก็ของแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเรากูศนะนหรืออกูศลก็แปลกปลอมเข้ามาเป็นคราวๆไม่ใช่ตัวเราอีกนะความโลภความโกรธความหลงแปลกปลอมเข้ามาเป็นคราวๆไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเรื่อยๆนะทั้งกายทั้งใจไม่เห็นมีตัวเราตรงไหนเลยดูซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้แหละเจ็นะวัน7เดือน7ปีเนะี่ยหลวงพ่อเทียนท่านเน้น3วันนะมีไหมหกวันได้ไหมหกวัน6เดือน6ปี ท่านมีลดลงปีหนึ่งด้วยนะ <c oughs> นครูบาอาจารย์อย่างนั้นหายากนะ <c oughs> เรียนธรรมะของท่านถ้าส่งไว้ได้นะส่งไว้ได้มีประโยชน์มากเลย <c oughs> ถ้าส่งไว้ผิดเนี่ยทำลายคาสอนที่ดีที่สุดอันหนึ่งไปเลย <c oughs> ถ้าบวชแบบบูริมนะคำสอนของท่านเนี่ยสุดยอดวิทยายุทธแหนงหนึ่งเลย <c oughs> งันรู้สึกขยับไปใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้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 <c oughs> หลงพ่อเคยไปทีนนะไวัดหลวงปู่สุวั์เขาน้อยมีเทพหลายอันเอาเบาบางหน่อยไปแล้วก็ไปนั่งดูหลวงปู่โอ้หลวงปู่สบายไปแล้วดูญาติโยมรอบๆตัวเรานี่เป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับเรา <c oughs> พวกนี้ฝึกมาคนเราุ่นกับเราไอเรานี่พวกห่วยแตกนะพวกตกรุ่น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 แล้วต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแบบรูปลุบคลนะำแล้วทําอย่างนี้น่าจะดีทําอย่างนี้น่าจะดีไม่ได้ทําอะไรดีเลยมีแต่รู้แล้วดีต่างหากนะนี่ละศิล ะ, ะตาปรามาสได้ศิลัตตาปรามาสมีนคิดแต่ว่าทํำยังไงเราจะดีเพราะฉั้นเราพอเราได้สวดายจริงเรารู้ทํำยังไงก็ไม่ดีหรอกนะรู้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่มันเป็นนี่แหละรู้จนรู้แจ้งนั่นแหละมันดีไม่มีทางที่สองเลย น, ะนี่พอเราดูกายดูใจจนละ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 จะยืนก็ทุกจะนั่งจะทุกนะจะนอนก็ทุกจะเดินก็ทุกอะไรก็ทุกหมดเลยหายใจเข้าก็ทุกนะยังหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกนะแล้วต้องหายใจออกหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุก <c oughs> อีกต้องหายใจเข้าอีกเนี่ยดูลงมาเรื่อยๆเลยโอ้กายนี้ทุกล้วนๆเลยไม่ใช่ว่ารายนี้ดีวิเศษ ต, ตรงไหนเลยเนี่ยเราหาก ด, ดูจิตมันก็จะเห็นอันนี้นะจะเห็นอันนี้แล้วมันจะละความยึดถือกายได้ก่อนพอละความยึดถือกายเนี่ย เ, เป็นเป้าหมายที่สอง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 หมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกินรสโปดทัพพระไม่มีการรมและปฏิฆะเป้าหมายที่สามละความยึดถือจิตถ้าละความยึดถือจิตได้จบจิตในศาสนาพุทธตรงนี้แหละนี่หลวงพ่อเทียนท่านสอนห้าวหารท่านบอกบอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นรัดสั้นที่สุดถ้าเจอะเข้ามาตรงนี้เลยนะแป๊บเดียวมันก็ปล่อยกายไปเลย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 ดน้นต้องภาวนานะต้องมีสติต้องตื่นขึ้นมาให้ได้นะรู้ลงที่กายเปืองเนืองรู้ลงที่จิตเืองเจะเข้าใจกายก่อนเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็หมดความยึดถือกายไปก่อนนะกายนี้ทุกร้วนๆนเลยจิตก็ปล่อยมันไม่ใช่ตัวดีเนี่ยจะไปยึดมันไว้ทาไมนะเวลาจะตายจะรู้สึกว่าตัวทุกข์จะแตกแล้วไม่เสียใจพรนะานาคามีเวลาจะตายไม่เสียใจล้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 แต่มีมาณาที่ว่าโอ้ครูบาอาจารย์ท่านดีท่านวิเศษเหลือเกินเราทําไงจะได้อย่างท่านจิตมันจะรู้สึกอย่างนี้งั้นมานะของพระนาคานะมาณาที่ว่าทําไงเราจะได้อย่างท่านไม่ใช่กูเก่งกูเก่งนะนั่นมาณากิเลสหนาทั้งหมดนี่รากเหง้าของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาสังโยชน์นั่นเองความไม่รู้ทุกข์แจ่มแจง้งคือไม่รู้ว่าตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์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 เนี่ยเวลาพระเทศเรื่องฐานนะพระชอบเทศนะเรื่องฐานก่อได้รับประทานนะแต่ว่าฝึกของเราไว้ไม่ต้องมาให้หลวงพ่อนะไปให้ใครก็ได้น ะ, นะฝึกกล้าสละความสุขความสบายของเราไหมกล้าสละความอริสอร่อยในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพไหมนะต้องฝึกนะสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกทั้งสิ้นเลยพระ<ม>พุทธเจ้าก็ฝึก ท่านถึงบอกตอนสุดท้ายใช่อาศัยบารมีนี่เองมาสู้กับมาร น, นั่นเองงั้นในคำภีที่เขาเขียนเขาเขียนดีนะสร้างมารขึ้นมาเขนะาเรียกอะไรนะซิมบลิกเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นบุคลาที่สถานไอ้อามารจริงๆก็มีะนะพวกมารเทวดามารเนี่ยมีอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หกพวกนี้เรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยกว่า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 เราไม่รู้แจ้งอริยสัจนึเงเราไม่รู้แจ้งในกองทุกนั่นเองถ้ารู้แจ้งในกองทุกปุ๊บจิตสลัดทิ้งเลยพ้นตรงนั้นเลยงั้นรู้รู้ทุกเมื่อไหร่นะสมูทัยคือตัณหาถูกละอัตโนมัติเลนินินนโรธหรือนิพานปรากฏต่อหน้าต่อตาอตโนมัติเลยนะิพานไม่เคยหายไปไหนเลยเนะี่ยปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อฐานนะมันสิการถึงเมื่อไหร่ก็เห็นอยู่เลยนะแต่นิพานไม่ใช่โลกใสใสนะเมื่อเช้านี้ใครไปละอยู่กับโลกใสใส โรคสายสไม่ใช่นิพพานนะหมดอย่างมีโยมจะถามอะไรไหมเชิญไม่มีเดี๋ยวจะไปคุยกับพระละลวันนี้ขอกราบนมัสการถามเจ้าค่ะเมื่อกี้ลุงพ่อบอกว่ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจะเห็นต้นทางของลูงพ่อเตียนบอกลุงพ่อจำท่านมาเจ้าค่ะรู้เนี่ยคือระหว่างตรงนั้นเนี่รู้ช่วงว่างระหว่างอารมณ์หรือว่ารู้ขนาดที่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 ภูมิรู้ตรงนี้คือภูมิรู้ของพระโสดาบันนะงั้นจุดหมายแรกเลยต้องมาตรงนี้ว่าไงอุอ้ยมั น, ม, น, ม, นมันก็ยังมีบางทีที่ยังติดติดที่เป็นมันเหมือนอย่างติดอะไรสว่างสว่างร้อยแปะอะไรก็แน่แหละยังติดอยู่ขณะนี้ก็มีมันมันติดอยู่นี่ครับก็เห็นมันเกิดจากความจงใจปฏิบัติ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 ได้นะคะแต่ยเยอะน ะ, ะได้ ย, ยุ่งกับคนนะทำงานที่ไม่เกี่ยวกับคนได้ยุ่งดคีค่ ะ, คะพยายมามทาประมาณนั้นค่ ะ, ะมีไหมหนึ่งสองสามไปเชิญกลับบ้านไป